ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2559ตอนที่1ก็ขอจเจริญธรรมกันเหล่าวิตทุกคนนะก็นั่งสบายสบายนะครคูจะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราสองคืน3วันที่นีนะ่มีอะไรก็ค่ยๆแลกเปลนกันชีวิตเราก็อยู่เงื่อนไขของเวลา ตื่อกี่โมงไปกี่โมงเมื่อไหรจะเสร็จแล้วอีกยุคหนึ่งมีคนหนึ่งค้นพบระบบเงินเอาเงินมาเป็นตัวแลกเปลี่ยนมันสะดวกมากชีวิตเราก็อยู่ในเงื่อนไขของเงินมีอีกหลายอย่างแต่ว่าสองอย่างนี้ในยุควัตถุนิยมทุนนิยมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราไปผูกติดกับมันความพิสระก็ไม่มีนะกูเองก็สี่สิบปีวิ่งไปต่างโลกวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมง มันไม่พอจริงๆยิ่งเปิดสาขาเยอะเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบ่งโซนความคิดไปแบ่งเวลาไปไม่เวลาให้กับตัวเองกับครอบครัวเราบอกเราไม่มีเวลานะเราไม่มีเวลาเลยยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ยิ่งกลายเป็นคนไม่มีเวลากลายเป็นคนรวยเงินแต่จนชีวิตชีวิตคืออะไรนะมีพ่อกูไปอยู่ในป่านะมีคนรายงานว่าลุงดีตายลุงดีอายุเท่าไหร่อายุแปดิ 80. คนนี้บอกลุงดํำตายลุงดําอายุเท่าไหร่อายุเก้าสิบอายุคืออะไรอายุคือเวลาชีวิตเราคือเวลาถ้าใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยที่สุดแต่ตอนนี้เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีเวลายิ่งพัฒนายิ่งไม่มีเวลานะยิ่งที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ส่วนมากก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพน ะ, พะนก็กรุเมืองบาลก็ นั่งเครื่องมาที่ลงดอนเมือ ง, องเอง ข, งเงขงเาก็ไปรัดมาสมัยก่อนพ่อกูเคยอยู่สิบยาตอนลงลงขาไทยตังประเท็จากสิบยาพ่อกูขับรถมาสนามรลว็ประมาณสิบนาทีสิบกวนาทีก็ถึงแลตัวนี่กรุงเทพเจริญมากชั่วโมงเนียก็ไม่ถึงจเจริญจริงหรือเปล่าที่เราถอยหลังเห็นไหมเจริญไป้ว่ามีมากขึ้น ตึกราบ้านช่องเยอะขึ้นรถมากขึ้นเติมโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นกรุงเทพขยายกว้างขึ้นมันแปลว่ามั่นคงไหมชีวิตเราไม่มั่นคงเป็นโวกบาดปวัติปวจะแผลเห็นไหมเนี่ยเราจเจริญจริงไหมเป็นยุคสี่วิเลยจริงหรือเปล่าถ้าสี่วิเลยเนี่ยทําไมคนล้นคุกล้นโรง พ, งพงยาบาลไม่รู้เจริญจริงไหม เห็นไหมโลกถอยหลังมากถ้าในศึกษาประวัติศาโลกที่มันพอศึกษาได้นะยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ําที่สุด ข, ของมวนุษย์เสียช่ลูกฆ้าพ่อผัวฆ่าเมียไม่บ้าก็กินยาให้เหมือนบาไม่ใช่ยุคเจริญจเจริญทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตวิญญาณนี้ตกต่ํามากมากที่สุดเท่าที่มีมนุษย์มาเพราะเราเก่งที่สุด ทางวิยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเจ๋กมากยุคนี้แต่เราเอาไปใช้สร้างเครื่องมือในการทำลายล้างกันเห็นเพราะอะไรเพราะความรู้ค์ความรู้เกิดจากการเรียนรู้วิชาการแล้วก็วิชาการนี้เนื่องจากว่าถูกธุรกิจนิยมครอบงำก็<ๆ> เ, เลยคิดว่าจะผลิตมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอาวุธรางปัญญาก็่จะเป็นเข็นฆ่าคนอื่นไหมเพราะเป้าหมายเราคือชนะเราไม่ได้ทเพื่อชีวิต ทุกประเทศก็เลยว่ามาแข่งกันสร้าง GDP สร้างตัวเลขแข่งกันนะเอาชีวิตรเราไปทุกเพื่อสร้างตัวเลขแข่งกันพอมีตัวเลขเยอะก็รู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกมีความปอบอุ่นความปลอดภัยความมั่นคงมั่นคงจริงไหมนะอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราเคยอยิบทิ ม, มนักก่นเพราะูเคยไปกินข้าวทิ ม, มนั่นไม่ใช่คนอเมริกาไม่ดีเพราะกูมีคนมีเพื่อนอเมริกันในซินเชียมากเรารักกันแต่ความคิดผิด ที่เขาตั้งโจทย์ให้โลกนี้มันผิดมันก็เลยผิดตลอดเศรษฐกิจ ส, สังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกเขาอยากได้อะไรเขได้หมดแต่ตอนนี้เขาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกเศรษฐีตัวจริงไหมใช่ไหมีทังเจ้านี้มีทั้งลูกนี้นะแล้วก็เด็กพบูเห็นละโลกมันตีกับอะไรล่ะเร็วๆนี้ก็มีข้อมูลเรื่องการอเมริกากับอังกฤษโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเป็นนโยบายชาติแล้วเข้าสภาเขาว่า ปัญหาของเขาเนี่ยแก้ไม่ได้มีนโยบายทุกคนเป็นกระต้นให้ทุกคนในชาติเจริญสตีกลับมาแล้วสูงถึงขึ้สูงสั่งมาในขณะที่พวกเราวิ่งไปตามเขาลูกหลานเราวิ่งไปตามเขาในขณะที่เขากลับมาตรงนี้เขาอยากสูงเขาก็สูงหมดมีหมดแล้วไงแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีมันไม่สะดวกก็สร้างเรื่ให้มันสะดวกรู้สึกสบายสุดท้ายก็เครียด มันคล้ายๆสะดวกแต่มันสบายจริงไหยนะพ่อครูหลังจากมาจากอเมริกาไปอยู่ในป่านั้นพออยู่ไม่กี่ปีก็ก็กลับไปเยี่ยมลูกน้องนะเขาก็ดับต่อว่าพวกครูว่าสมัยก่อนอเมริกาลุ่มคนไทยเรียกว่าพี่ใหญ่นะเนาะพี่ใหญ่สอนนี่พวกผมเนี่ต่อสู้พี่ใหญ่นี้ทำไมพิสเตอร์ิสเตอร์ชาร์ทครูจำไม่ได้เาถามพ่าครูใจพวกว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบ กูถามเองก่อนเองสู้ไองทั้งหมพวกพี่ใหญ่จำได้ไหมสมัยก่อนผมใช้รถฟอร์ดรถดเอเมริกันราคาถูกตอนนี้เห็นไหมผมผมใช้รถมอร์เซเดสเบนของญี่ปุ่นของขอ ง, ของยุโรปมีมือถือรุ่นใหม่ด้วยพวกูเท่ า, ออาไหรวันหนึ่งแปดชั่วโมงคุยโทรศัพท์ไม่พอขับรถก็คุยตื่นเช้าก็คุ ย, ก, คยกินข้าวก็คุย เวลาไม่คุยมีสองอย่างคือเวลาอาบน้ำ ก, กับเวลานอนหลับคล้ายๆมันสะดวกถามว่ามันสบายจริงไหมยอย่างเราขับรถกรุงเทพนี่บางทีไม่ระวังเนี่ยเราขับระวังคนอื่นไม่ระวังบันทีก็ชนกันนะอันนี้ขับด้วยฟังโทสรสัมภาษณพูดด้วยคิดด้วยแล้วมันจะเป็นไงละ่ะพอเขาด่ามาเเด็กสาวนี่อารมณนั้นกระทบมากระสิ่งที่เราขับอีขาดสติวีนชนนใหญ่มันคล้ายๆสะดวกไงใช้ปุ๊บกดปุ๊บได้ปั๊บเดินแต่มันสบายจริงไหม พราครูได้ยามเขาว่าชักแล้วอย่างที่ใหญ่ไม่ต้องขับไม่ต้องถือนี่ใครสบายกันเราจะเจริญจริงไหมจเจริญแปลว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคง น, นะเราแปลภาษาผิดหมดรวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกเราแปลผิดพราครูก็คนหนึ่งอะแปลผิดซื่อสัตย์มากลูกเด็นเก่งๆนะ หางเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขต่อสู้สู้ตายแล้วมันก็รวยจริงๆเงินเต็มบ้านมันแถมของขวัญมาด้วยของรางวัลมาเป็นไมเกรนความเครียดบนกระเพาะสุขได้ไหมมีแต่ความสะดวกสบายความพึงพอใจความสบาจนะกันจะเป็นโรคหัวใจแล้วเวลานั้นเราไปเข้าใจผิดเรารู้ผิดเรามีวิชาว่า ถ้าชนะก็คือดีชนะก็คือรวยแพ้ก็เสียหาย น, นะมันก็เลยต้องคิดเราถูกสอนให้เป็นนักคิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนบวบหนึ่งบวกหนึงเป็นสองต้องคำนวณเป็นอะไรอะไรต้องเป็นคนคิดเก่งๆถ้าคิดไม่เป็นถูกด่าไอ้โม่ไอ้คิดไม่เป็นเราก็คิดคิดเก่งมากคิดจนชนะจนเงินเต็นบ้านแต่กําลังจะเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากมันเกิด อ, อาการระเบดิด สามชั่โมงที่มันเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันรู้หมดมันเห็นหมดไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จากพัานเหตุผลเพราะจิตเดิมมันรู้มาแล้วมันเป็นมาหมดแล้วมันมีมาหมดแล้วมันเรียนว่าตายเสร็จพยุติรอเวลาเนี่ยมันรู้หมดอยู่ไม่ต้องถามหรือคิดมันก็ออยกเจอละหยุดทันทีไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งาทีเลยนะว่าทําไปต้องหยุดเพราะมันหาคําตอบมาเจ็ดแปดทีสุดท้ายแล้วว่าอะไรคือตัวสุกแท้ หรว่านั่งที่นี่แลกเปลี่ยนพ่อคูน่อยนะจะมีเวลาสองสามวันเนี่ยนะเวลากลางคืนหยุดเบรกเนี่ยช่วยวาดตัวความสุขให้พระคูดูหน่อยหนึ่งนะตั้งรางวัลไหมนะใครวาดปุ๊บทุกคนเห็นว่ามันคือตัวความสุขเราได้รางวัลที่หนึ่งมันมีกี่แขนมันมีกี่ขามันเป็นชุดสีอะไรช่วยวาดให้พ่อคูดูหน่อยทุกคนแสวงหามันเท่งนั้นแหละแต่เรารู้ไม่ว่ามันคืออะไร คิดให้ดีๆนะถ้าเราไม่รู้ความสุขเราแวสวงหาความสุขเรากําลังแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราจะเจอมันหรือเปล่าทุกวันนี้ไล่ไล่โปเกมอนไปบางทางก่อนนั่นแหละคือความสุขไงล่าไปล่ามาตกน้ําไม่รู้ตัวไปถึงมุ้งเมื่อเข้าวข่มคืนไม่รู้ตัวเนี่ตัวความสุขตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมจริงๆเรารู้หรือเปล่าตัวความสุขมันเป็นแบบไหนนะ ทุกคนถูกสอนลูกเก่งๆ น, น, น, น, นะจะได้มีอนาคตอ้าวตัวที่สองเนี่ยแล้วช่วยวาดตัวอนาคตให้พวกคูดูหน่อยหนึงมันเป็นแบบไหนะ uh, บ้านเมืองของมันเป็นแบบไหนเคาว่านอนาคตเนี่ยนะอนาคตมันเป็นแบบไหนนู่นนู่นูนูนนูตามไปพวกไอๆไ อ, อคนที่ยืนอยู่แนวหน้าเลยเบินหนึ่งของโลกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาได้พวกกูเอ่ยชื่อเขาจนบางทีมั น, นมันรู้สึกเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าพวกกูหาว่าเขาไม่ใช่นะ เพราะกูเอ่ยชื่อใครนีไม่มีเจตนาร้ายไม่แต่น้อยแน่นอนเราไม่สร้างกรรมอยู่แล้วแต่เราเอ่ยถึงองค์คุลิมาทุกบกรู้เลยใช่ไหมไอ้คนที่มันไม่ใช่ผิดศีลฆ่าสัตว์นะมันฆ่าคนนะนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วก็กลัวจะลืมเอตัดนิ้วมาแขวนคอเนะพราะเราบอกเทวทัตปุ๊บทุกคนรู้เลยว่าไอ้คนที่มันมันมีแต่ลังแกพุทธเจ้านะ่ะแต่ถ้าเอ่ยถึงคนโดยที่สุดึงดทุกคนก็รู้ว่าเอ่ยมันรวยอันดับหนึ่งของโลกถามว่าเขาสาเร็จเรียั แต่คนที่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยข น, น, ดยนาดคนหนุ่มทหมายถึงเหมือนเขาเนี่ยเขาสําเร็จหรือยังสําเร็จไปว่าอะไรสําเร็จไปว่าเสร็จแล้ว Success is m e n finish Finish is m e n done Nobody done สำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเขายังไม่เสร็จเพราะเขายังไม่พอเขายังไม่รวยด้วยนะรวยแปลว่ามีเหลือโดนพอแล้วเป็นเศรษฐีแล้วมีเศษส่วนเกินจะแบ่งปันแล้ว นั่นนะคือรวยคือเหลือล้นคือเป็นเศรษฐีแล้วนะตอนนี้เขาเป็นแค่รวยเงินแต่เขายังจนชีวิตเขายังไม่มีเสียจนเกินที่จะแบ่งปันไอ้ที่ไปสร้างการกุศลบ้างเป็นแค่ยันต์กันผีเฉยๆให้มากไม่ได้เดี๋ยวจะตกเป็นที่สองนะเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยเงินแต่เงินยังทําให้เขาเดือดร้อนอยู่เพราะเขาวัดกันว่าเงินใครมากคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขากลัวจะเป็นที่สองเขายังจนอยู่เขายังไม่รวยเพราะเขายังไม่พอ ใช่ไหมถ้ารวยแล้วก็มีเดือดร้อนพอแล้วเขายังไม่พอเขาจะเลาตัวเองมันจนอยู่เขาอยากจะรวยรวยเพื่ออะไรเพื่อรักษาตําแหน่งที่หนึเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยเงินแต่เงินทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาวัดจากมาเงินใครมากคนนั้นที่หนึ่งทีนี้เราจะเดินไปตามแบบนั้นไหมนั้วิชาการก็เปเรียนเรียนกับเขาเราก็มาสอนบ้านเราอปตส่าหนะทั้วิชาการจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาจากยุโรปเอ้ยที่นั่นเขาเป็นเอ mm ีย hmm. รูเขารวมลุ่มกันเพื่อต่อรอง mm hmm. เราต้องเป็นอาเซียน เราต้องไปอาเซียนเราต้องไปอาเซียนไม่เคยไปถามพ่อคูอยู่ในป่าเลยว่าอยากไปไหมไม่มีสิทธิ์ต้องไปต้องไปมันจะดีมันจะดีถามว่ามันดียังไงก็ไม่รู้ต้องไปอาเซียนตอนนี้ทนักวิชาการหันกลับเป็นสังคมที่เขาเรียนจบมาไปอังกฤษออกจากอีรูทําไมนี่คือวิชาการไงมันเรียนตายตัวแบบนี้แล้วก็จะไปก๊อปปีป้เขาแบบนี้นะไม่เคยคิดเอาเองเลยเห็นไหม จะปริญาเอกทางภาษาศาสตร์มาพร้อมกันรับปริยาบัตรในวันเดียวกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณจะไปเรียนทาไมสมัยเด็ก เ, กเราเราเล่นกันนะทะเลาะ ก, กันคุณแม่บอกลูกหยุดซะเนื่องจากเรารักแม่เราก็หยุดไงไม่ต้องถามเลยเพราะเราลักแม่พวนี้เรียนชั้นสูงแนละ้วแม่พูดมาคำหนึ่งมันเขียงไปลอยคาแล้วจะเรียนไปทําไมยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้นะคุยกันไม่รู้เรื่อง น, นี่พวกชี้ให้ดูนะแต่เราคิดนอกกรอบ น, นี่ไม่ได้ลูกต้องเรียนเด็กดีต้องเรีย น, นต้องข ย, ยันเพราะเราเกิดมาพี่แอดเตั้งชื่อให้เขาเคยปรึกษาเรา ไ, ไหมเห็นไหมเอาถึกปรึกษาแล้วก็ได้เขาตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วเข า, เขามีความสุ ข, ขเขาก็แอดนะลูกแอดดีพอดีแถมศาสนามาด้วยแอดพูดนะลูก อิสลามนะลูกฮินดูนะลูกคริสต์นะลูกพ่อแม่ชอบชอบโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรและเขารักเรามากนะเขาจะส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราเคยรู้ไหมว่าเราเป็นใครภาษาอี่กบอกงวอายุตรอกลายเป็นแอฟละบางทีบาพูดถามคนหลังคนนึงบอกงูอายุบอก my name is แอฟ ฉันไม่ต้องการรู้จากชื่อคุณฉันต้องการรู้ว่าคุณเป็นใครไอ้เจ้าของชื่อแอบเนี่ยมันเป็นใครใครตอบก็ครูได้คุณเป็นใครเราเลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราเป็นคนไทยเราก็คิดตามภาษาไทยฝรังเขาทิดตามภาษาสลัง่งคนจีนเขาทิศภาษาภาษาไม่ใช่ความจิด ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์กลุ่มนั้นๆสร้างขึ้นโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยพ่อขุนรามนะเป็นคนสร้างภาษาไทยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้าพ่อขุนรามเนี่ยคนไทยเราเสื่อได้อย่างไรเอาภาษาไหนเห็นไหมเราก็คิดตามภาษาพูดตามภาษามันนะคุยกันไม่รู้เรื่องไงแต่ชาวานายอยู่ที่บ้านหมู่บ้านก็คูยอยู่เนี่ยเาสอนควายไถนาได้มันไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ แต่ตอนนี้จบสูงสุดเราเรียกว่าด็อกเตอร์พวา ก, กูไม่ได้หมายความว่าคนเป็นด็อกเตอร์ดีหรือชั่วไม่ใช่คนดีก็มีคนชั่วไปเยอะไม่ใช่จบด็อกเตอร์ก็เป็นคนดีหมดมันมีหมดอ่ะเพียงแต่ว่าความเป็นด็อกเตอร์นี่ยทําให้เขาหลงความรู้นั้นสร้างตาตาขึ้นมาทุกคนกลัวแพร้รู้ต้งรู้ว่าตัวเองผิดแต่บอกว่าฉันถูกเพราะว่าฉันผิดไม่ได้เดี๋ยวฉันจะแพ้ฉันจะเสียเปรีมันถึงคุยกับเรื่อน เพรเราคิดตามภาษาภาษามันสอนให้เราคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทำแบบนี้ภาษาก็สมมุติเราคิดตามสมมุติตลอดเวลาแล้วเราเคยรู้ไหมว่าความจริงมันคืออะไรนี่แหะคร น, นี้เรากำลังมาปรึกษากันเรากำลังจะค้นหาความจรงิงกันนะความจริงต้องไม่ผ่านภาษาต้องไม่ผ่านความคิดทตัวอย่างนะ เรายกแก้วไปนี้เออแค่สองสามยืดก็พอยกได้ใช่ไหมเดีย๋ยวถ้ายกเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ต้องนอนไม่หลับเลยไปนั่งเพ่งอยู่ตรงนั้นนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมันเบาหรือมันหนักอยากให้มันเบาทํำยังไงว่าเจะรู้สึกยังไงเวลาบางนี่ต้องไปเรียนไหมถูกเราไม่ได้มาเรียนคอร์ดไหน 27ปีพ่อครูอยู่ในป่านั้นพ่อครูไม่บังอาใช้สมองมโง่พ่อครูเนี่ย60กว่าปีนี่มาสอนจิตไม่บังอาแต่พ่อครูพูดประสบการณ์ทั้งทางโลกทางทําให้เราฟังเรามาศึกษาความจริงโดยเฉพาะโต๊ะก้อนนี้เป็นสมมุติสมมุติหมดนะความจริงของชีวิตมันมีส่วนหนึ่งเป็นสมมุติสมมุติก็คือมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ ป, ประกอบเป็นกายภาพ ถ้าความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงแท้เลยคือจิตวิญญาณเอาร่างกายไปเผามันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่จิตวิญญาณเนี่ยจีพันองศาก็เผาไม่ได้ธรรมชาติบอกอยากค้ากาไรเกิดควรครนี้เรามาศึกษาร่วมกันแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยเอาแต่เรื่องกายภาพเอาแต่เรื่องรู ป, ปรธรรมถ้าพิสูจน์ได้ไม่ได้โดยรู ป, ปรธรรมปฏิเสธหมด คุณหน่อยเคยรู้สึกมีความสุขไหมเคยรู้สึกจะไหมเคยรู้สึกทุกข์ไหมเคยรู้สึกดีใจไหมในความรู้สึกนี้มันเป็นรูปประทังหรือกัคือลื่นเรื่องนามประทังมันเป็นนามมาทำแต่ศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยปฏิเสธนามมาทำเอารูปประทังปวดหัวก็กินยาพาราไประนับประสาไม่ให้มันรู้สึกปวดเฉยๆไม่ใช่มันไม่ปวดนะมันยังปวดแต่รู้สึกปวดมันไม่รู้ เราแก้ที่ปลายเนี่ยแล้วมันก็สะสมเป็นไมเกรนแล้วสุดท้ายก็เป็นมะร็งเพราะเราปฏิเสธนานมประทับแต่ศาสดาหลายๆศ า, าสดาเนี่ยเขาสอนรูปกับนามความจริงในชีวิตเราเนี่ยดึงมาใกล้ๆเนี่ยให้มันเลยเสือ้อผ้าเข้าไปไอ้ที่รู้สึกสัมผัสที่เราเรียกว่าเจ็เพราะเราบันทึกสัญญาว่าอย่างนี้เราเรียกว่าเจ็ แล้วมันเึ็ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าพวกสาดิกเขามันทึกว่าอย่างนี้เรียกว่ามีความสุขเราก็สุขมันอยู่ที่เราบันทึกอย่างไรและไอ้ที่กระทบภาษานี่มันกระทบกายตายจริงๆแล้วนี่มันเหมือนโต๊ะมันเหมือนเบาะอี่เหมือนรถยนตนคันหนงมันรู้สึกไอ้ตัวรู้สึกคือจิตวิญญาณอย่างคนที่ตายใหม่ๆสมองยังไม่เน่าหัวใจยังไม่เน่าสมไมมันไม่เต้น ทำไมมันคิดไม่เป้นรีผ่าตัดเอาหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วนี่ไปเปลี่ยนให้คนอื่นนะที่หัวใจเขาล้มเหลวแต่เ้ายังไม่ตายทำไมหัวใจที่มันไม่เต้นเนี่มันเต้นขึ้นมาอีกอะไรทำให้มันเต้นนี่คือประเด็นพวกคุณเคยถามหมอคนนึงเป็นหมอผ่าตัดว่าคุณหมอเคยเห็นหัวใจเห็นสีผ่าตัดมาบ่อยๆทำไมหัวใจมันเต้นคุณหมออื่นมันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะ ใบไม้มันขยบมันต้องมีพลังอะไรเครื่องยงนต์ต้องมีพลังานและพลังอะไรทำให้หัวใจเราเต้นแล้วคนตายแล้วทำไมมันไม่เต้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ไปจบอยู่ที่ปลายภาษาจบที่กายภาพจบที่รูปธรรมเราถึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้พี่ดนีกูจำได้หลายปีก่อนมือเลี้ยงเขาเป็นคุณหมอเมื่อคืนเขาไปว ปกติพ่อครูไม่ได้ยุเรื่องตรงนี้แต่พ่อครูดูโรคแล้วว่ามันไปกันใหญ่แล้วพ่อครูก็เลยเอาชีวิตของตัวพ่อครูมาลองบางอย่างเนี่ยความรู้ของมนุษย์หนีดูยังแก้ได้ด้วยกายภาพแต่โรคบางอย่างมันเกิดจากกรรมมันเป็นเรื่องของนามธรรมเราต้องใช้จิตวิญญาณมาแก้และจิตวิญญาณของพี่นีก็รักษาพี่นีหายแต่บางอย่าง เราก็ต้องแก้โดยเอาสายจิตคือความรู้ของมนุษย์ในเรื่องกายภาพพอช่วยได้ระดับหนึ่งแต่โรคบางโรคมันเกี่ยวกับเรื่องผลของกรรมต้องเข้าไปในจิตใต้สำนึกเรานะแล้วให้จิตมันเป็นคนแก่นะหมอพันชาเอยางเป็นอาจารย์หมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเหมือน ก, กันครับกูก็ไปศึกษาแกาเรียนไทเก็กฝึกไทเก็กได้สูงสุดคือได้ได้สายไฟสีดำพอเข้าไปในจิตปุ๊บจิตมันต่อยอดเป็นโมเก๊ก คือไล่ขบวนท่าปัญญาเดิมเราเอามาสอนไปหาอาจารย์เขาอาจารย์ว่าฝึกได้ยังไงอาจารย์ยังทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเราฝึกวิชานั้นวิชานี้เราจะติดกอบวิชานั้นเออทำสี่ร่างทาสี่ร่างทามันจะมีศักยภาพของมันอย่างเดียเพราะว่าเราเรื่องรูปธรรมอย่างเดียวนะแต่ถ้าฟังนะพระพุทธเจ้าหรืพอพระเยซูหรืออะไรกระชั้งเนี่ย อันนี้พวกท่านเหล่านี้เนี่ยสอนให้เราไปสัมผัสเรื่องนามประธรรมาบางคนก็เบื่อทางโลกเบื่อลูกประธรรมาบางทีเนี่ยที่เราไปขึ้นชื่อว่าชีวิตฟิเตเนี่สขับรถมาปึ๊บใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมืออะไรไมิตรออกกาลังกายทำไมนักกีฬาทีมชาติบางคนต้องแข็งแรงมากก็เป็นนักกีฬาทีมาเพราแพ้มามันค่าตัวตายร่าง ก, กายแข็งแรง แล้วก็คุณเคยว่าฟิตเนสหมายถึงออกกาลังกายกา็กลัวเลยเติมคําว่าชีวิตฟิตเนสทีนี้ก็มานั่งคุยกันว่าสามวันนี้เราคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องชีวิตชีวิตมันคืออะไรมันประกอบด้วยอะไรแน่นอนมันมีกายมันมีจิตวิญญาณมันมีอารมณ์ประกอบด้วยสามส่วนนะกายจิต อารมณ์ประกอบกันเป็นชีวิตขึ้นมารู้สึกดีใจเสียใ จ, ใจตกใจไม่พอใจเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์สินะ่งที่ทําให้มีชีวิตเป็นเรื่องของจิตปัญญานะแต่ตะล้องพึ้นกายตรงนี้เนี่ยมารับผัสสามารับกระทบรับหูนะยังคุณหมอท่านหนึ่งเหมือนกันสเปเชียลไลท์ทางด้านหูนะเรียนมาทางหลักสูตร พรากูก็เอาเรื่องนี้มาคุยคุณหมอคุณหมอมนุษย์เราใช้อะไรเป็นตัวได้ยินคุณหมอตอบเลยก็หูไงพราะกูบอกไม่ใช่คุณบอกไม่ใช่ได้ยังไงพี่คุยพิสูจน์ยังไงพราะกูพิสูจน์ยังไงบอกคุณหมอชีวิตหนึ่งคุณหมอคงเคยมีประสบการณ์คืนไหนที่เรานอนหลับสนิทเลยเหมือนคนสลบอย่างเงี้ยทำไมลูกคุณหมอร้องไห้ท่ามงคุณหมอไม่ได้ยินไม่หูประสาทหูจิงหูอะไรมันยังอยู่ทําไมไม่ได้ยิน ถ้าวิญญาจินั้นวิญญาณหูมันไม่ทัางนานนะ <c oughs> มันไม่ได้ยินมันเกิดตานั่นแหละมันต้องประกอบด้วยกายภาพคือใบหูภาษาหูติ่งหูนะแล้วก็วิญญาณหูถ้าวิญญาณมันไม่รับกระแสเนึ่งไม่ได้ยินเหมือนคนตายแล้วไงมันไม่ได้ยินเพราะจิตวิญญาณมันออกไปแล้วนะนี่แหละเราต้องรู้วันชีวิตคืออะไร ชีวิตเราประกอบด้วยกายจิตอารมณ์สามอย่างแล้วที่นี้เราเรียนรู้วิชาต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอะไรไปเรียนหนังสือคนเน้นเรื่องไอคิวอย่างเดียวไอคิวอย่างเดียวให้มันเก่งอย่างเดียวนะเครียดหมดเพื่อจะเก่งนะเรื่องอารมณ์ไม่ออกเห็น EQemotion ไม่ออก รามไม่เอาไม่เคยพัฒนาเพราะเราไม่เชื่อเรื่องนางมาทำอย่าไปถึงเอ็ิไอ้สุดท้ายนี่สำคัญมากเ q ็คิคือโมโรลิี่คือศิแลธรรมมันเกิดขึ้นจากจิต Mindfulness ตอนนี้ประเทศจเจริญเขา้องลับมาตรงนี้แล้วเพราะเขาแก้ปัญหาชีวิตเขาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยโรคเครียดจะขึ้นมาระดับ แล้วก็โรคเครียดเนี่ยเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บอีกลหลายหลายอย่างรวมกับมะเร็งด้วยสพราว่าเราเครียดเนี่ยเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปเข้าอู่ไปเช็คมันเครื่องนะไปทําความสะอาดใส่กองน้ํามันใส่กองอากาศบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะสูญฉิน้ำมันสำลับเดี๋ยวแหวนลูกสุกก็พังหมดเมื่อเราเครียดปุ๊บคุมคุ้มกัรโรคโดยธรรมชาติเนี่ยมันตกต่ำเราไปกินข้าวเนี่ยเรามีเครื่องมือมีฟัง มาเคี้ยวนะมีน้ําลายมาย่อยแป้งส่วนก็คืนินลงไปลําลังไส่เฉเพาะเราก็ย่อยส่วนหนึ่งทําไมมันรู้ว่าเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิ้งเรามีเครื่องขับกากอาหารเครื่องขับน้ําเสียเรามีเครื่องฟอกอากาศเรามีสมองกลนี่คือสิ่งมหัจจันทร์แต่เราไม่เคยรักมันเลยเรากลัวมันตายตายตายช้าเราให้เราแบกมันกําเพื่อสรา้างนะ เมื่อเราเครียดปุ๊บไอ้ปุ่ม ป, ปุ่มกันตัวนี้เนี่มันตกตําเกิดกินสารพิษอะไรเข้าไปปุ๊บมันขับออกมาไม่หมดเขาเรียกว่าสารตกค้างนั่นแหละคือเนื้องอกพรากูพูดเมื่อกี้จะปิดเจ็บบรรเปุบเ๊บมันเห็นหมนคุณหมอหลายท่านด่าพ ก, กูว่าวกกูเป็นบ้าทุกวันนี้เรื่องมายองรับแล้วว่าโลคเครียดคือบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บพออารมณ์เราเครียดปุ๊บมันทําให้ร่างกายตึงเครียดไปด้วยนะ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็บวกกับเราเก่งมากเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษหมดพิษทางอากาศทางน้ําทางอาหารไปหมดนะแล้วก็พิษทางอารมณ์ด้วยนะข้างนอกพอลูชันมันจกบกระโปรงแล้วก็บวกกับภูมิคุ้มกันเราทํางานไม่เต็มร้อยมันสองภาษาเลยเนี่ยแล้วเราจะเป็นไหนล่ะโรคความเครียดโรคภูมิแพ้นะเบาหวานความดันเกิดขึ้นมาหมดเลย พวะครูตอนนี้ไม่ได้เน้นเรื่องศาสนานะศาสนาอยู่ที่ใจอต่ราคนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเป็นของสากคแต่บางทีเราก็อ้างเออศาสนารูปนี้องค์นี้ท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อเอามาศึกษาเรียนรู้กันไม่ต้องไปแยกศาสนานะคือเฉพาะพูดเองไม่เคยสอนให้สาวกไปจารเป็นประกาศศาสนาแข่งกับคนอื่นไม่มีดังนี้ให้สาวกจารเรียกไปประกาศพรมอาจาย์ชี้ทางคนทุกเพศทุสัดโลกทั้งหมด ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปขัดแย้งกันเนี่ยเขาไม่ได้สอนแบบนั้นแต่คุณธงชลทุกวันนี้เนี่ยเอาเทคนิคตัวเองเนี่มันเป็นแบรนด์เนมมาสร้างลทัทธินิยายแข่งกันเองเพราะไปคิดแบบทุนนิยมเสรีไงกลัวจะแพงไงเอามาเป็นแบรนด์เนมมันก็เลยขัดแยง้งกันไปนทุกทุกนะเขาสอนให้เรารู้รูปนะมความจริงมันมีรูปกํนานาไม่ใช่รูปอย่างเดีว้ว เนี่ยพ่อคูเนี่ยชีวิตพ่อคูเนี่ยเอาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ใช่พคูไปลองตอนนั้นพ่อคูไม่รู้เรื่องศาสนาใดๆเลยในทางพูดเขาบอกต้องถือศีลห้าสี่สิบปีพ่อคูไม่มีศีลห้าแบบนั้นพ่อกูกินเหล้าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองโกหกด้วยเราเป็นพ่อค้าเราเข้าใจว่าการโกหกเป็นเทคนิคร้านอาหารเราที่อเมริกามีหลายร้านบอกฝรั่งเขากลัวมาก m f G ก็คือผมชูรสไปตรวในห้องอาหารในในครัวเราไม่มีแม้แต่หนึ่งเม็ด แต่มันผสม น, น้ำกิมมาเรียบร้อ ย, เ, ยเราเนี่ยแหละคือแบบนี้เราถูกสอนว่าต้องชนะถึงจะดีไงใช่ <t> ั้ยแล้วก็ชนะจริงๆชนะในแง่เกมนั้นนะ่ะแต่ชีวิตเราเนี่ยต้องใช้คาว่าพูดภาษาทั่วไปถึงบัตรซอง้วยแล้วดวยแบบนี้ด้วยขัาไหนคิดไม่เลิกไปแล้วเป็นไมเก์แลวห ว, วดดีแก้โดยยังไง กินระงับให้ไม่ให้ไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่มันปวดกลายเป็นว่าความเครียดลงกระเพาะก็ะรักษาดึกยยากแก้ปวดพอฤทธิยามันหมดก็ปวดอีกถ้าเราไม่เลือกคิดแต่พอมันระเบิดปุ๊บมันเปลี่ยนพวกปูทันทีเลยมันหายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องปวดหัวไม่แต่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้คิดแม้แต่ครั้งหนึ่งมันแก้ปัญหาต้นเหตุเราสร้างมนโนกรรมตลอด ที่ไม่บรรยำบญรยำเพราะกลัวแพ้ได้ยินพวกเอามาคิดเห็มันพูดอย่างนี้แปลว่าอย่างไงเห็นพวกเอามาคิดอีกเราสร้างมาโนกรรมเพราะเราอยากตอนนี้เราแก้ยังไงสังคมแก้ยังไงบางทีพวกคุณมาเดินพวกคูณจับดูอารมณ์คนสังคมทุกวันนี้นานๆไปในเมืองที่พวกคุไปเดินด้านหนังสือหนังสือขายดีเนะ่ยสู้แล้วรวยบ้างอคิดบวกเพรอ้คํานี้พวกคุณเข้าใจมันมีนักปัชญาของฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเดกอ เขาบอกว่า I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงเป็นฉันคิดฉันเป็นตัวตนเราก็เลยแก้ปัญหาความคิดเตด็ต้องคิดบวกสิต้องคิดบวกสิถ้าอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ท่านคำบอกว่าคิดบวกนี่จันท์ไหลยิ่งกว่าคิดลบอีกคุณคิดบวกคุณปฏิเสธได้ไหมว่าคุณไม่อยากได้คุณอยากจะไม่คุณจึงคิดทีนี้าศาสนาท่านก็บอกว่า ด้วยความอยากอยากคือที่มาของทุกข์เนคิดบวกเพราะอยากได้เพราะยัจฉนาน่ะสนองตัญหาตลอดนะคุณคิดบวกได้เขาก็คิดบวกได้ก็เท่ากันเหมือนกเราแก้โดยไม่ต้องคิดลบได้ไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยมีหน้าที่อะไรก็ขยันทาไปเลยเราคิดเพราะเราเมีอนาคตเราถูกสอนวิชาอนาะคตทำเพื่ออนาะคตไม่เคยทำเพื่อปัจจุบันไม่ใช่ทำเพื่อชีวิตชีวิตคือปัจจุบัน หายใจเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่เข้าชีวิตมันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อนาคตพวากูฝากนะประสบการณ์กูเนี่ยอย่างวงอนาคตมากมายแย่าวทุกคนมีอนาคตอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตของวันนี้ปีหน้าอนาคตของวันนี้ชาติหน้าอนาคตของวันนี้ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีที่สุดคืออะไรทำอย่างมีความสุขทุกๆนาทีที่เราได้ทา อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทงานกําไรความสุขทุกวันนั่นคือคนที่เข้าใจชีวิตสมมติว่าเราระบายสีอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ระบายสีเราเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมากเราระบายห้าสิบเปอร์เซ็นตอีกห้าสิบเอร์เซ็นตก็แบ่งโซนว่าเออว่าเสร็จนั้นฉันจะไปทำอะไรเ อ, อ๊ฉันจะได้แฉงหรือเปล่าวะฮะอันนี้เราคอร์รัปชันเวลาเรา แทนที่จะใช้เวลาเราโทเทอรี100่ 100% วาดกัมันถ้าเราตั้งมั่น 100% เนี่ยสมาธิตั้งมั่นสติก็ตื่นรู้อารมณ์แทรกไม่ได้เลยนะพอเราวาดเสร็จพรุ่งนี้อนาคตสีมันแห้งเราได้ 100% แต่เราวาดอยู่ 50% เราก็แ บ, บ่งไปคิดถึงอนาคตอีก 50% พรุ่งนี้สีมันแห้งเราได้ 50% ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากยิ่งได้ ตอนนี้สังเกตไหมพอทำอะไรปุ๊บพอได้ปุ๊บได้ชนะนี่ดีใจใช่ไหมพอพลาดปุ๊บแพ้ปุ๊บเสียใจใช่ไหมถามว่าเสียใจดีไหมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบทุกทุกข์แล้วไปเสียใจทําไมเอาเสียใจเพราะมันมันแพ้ไงแพ้ไม่ได้ไปเพราะเสียใจซะหน่อยนั่นคุณไม่แปลผิดเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสอยู่กับแพ้กิเลสเพื่อชนะคน ก็แปลภาษาผิดหมดเราเรียนหนังสือทำไมตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีโทเองเวลาเรียนก็ทุกเพราะไปแข่งขันต้องลงทุนลงแรงลงเงินพ่อแม่เอาครึ่งค่อนชีวิตหนึ่งในสามวันจะไปเรียนหาวิชาเพื่อจะเอาวิชานั้นไปสร้างอนาคตเรียนทำไมเรียนเพื่อจะเปิดความรู้ใช่ไหมคาตอบคือใช่เอาความรู้นั้นเป็นเครื่องมือในการสร้าง และพอเราทำอะไรมันพลาดพังเนี่ยเป็นความรู้อย่างยิ่งเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งไปเสียใจทำไมต้องดีใจไอ้ที่ได้บ่อยๆไม่เคยเสียเลยระวังถ้าวันไหนมันพลาดปุ๊บฆ่าตัวตายทั้งหมดคือเราใส่โปรแกรมชีวิตเราผิดคิดบวกคิดบวกคิดบวกอยากได้ถึงคิดบวกถ้าเราทำเพราะทำมันเป็นหน้าที่เราไม่มีความอยาก แล้วก็ทำอยู่ปัจจุบันมีความสุขกับมันร้อยเปอร์เซ็เลยอารมณ์ไรก็แทรกไม่ได้นั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งเราไม่กังวลอะไรเลยไม่กังวลอะไรเลยเนี่ยผลงานมันก็ไม่มืนก็ดีไงพรุ่งนี้อนาคตเหมือนก็ดีส่วนดีแล้วเนี่ยก็ดีใจบางทีทําเราดีอยู่ที่คนมารบ ก, กวนเราการส่งงานไม่ทันมันเสียก็ต้องดีใจเราจะได้ป้องกันให้ต่อไปอย่างประมาณ ก็ไปที่มุมที่มันจะชนเราไม่ได้เป็นความรู้อย่างนี้แต่กิเดมันไม่ชอบถ้าได้ใช่ก็ดีใจเสียถึงกันเลยเสียใจสุดทั้งหมดก็คือเริ่มจากเราไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็เราเข้าใจภาษาผิดโดยเฉพาะภาษายุคนี้เป็นภาษาทุนนิยมแข่งขันเสรีการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตงแยกทุกคนก็มีกังวลอย่าว่าจะคนที่เป็นศัตรูเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนรักกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ย บางทีก็กลุยกันไม่รู้ภาษาเพราะทุกคนมีทิฏฐิมานะของตัวเองทุกคนก็กลัวแพ้โดยสัญชาตญาณกลัวไม่กระทั่งแพ้กับคนที่เรารักก็มันจะเสียศรรษษักดิ์ศรีบางทีเราทุกข์โดยไม่มีเหตุผลเพราะเราเข้าใจภาษาผิดนะก็พรวกกูเกิดเช้านี้จะให้รู้ว่าเออ เราไม่มีเวลากันไงุตสาเสียสละเวลาอันมีคุณค่าของเราเนี่ยมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ต้องแลกเปลี่ยนนะให้มันได้อะไรหน่อยหนึ่งนะมีอะไรถามพ่อครูแล้วแลกเปลี่ยน27ปีคขา่าเหนื่อยกับพระครูไม่มีพ่อครูไม่เคยใช้ใจทำงาน27็ปีจิตมันทำงานตลอดเหนื่อยมันเกิดขึ้นด้วยใจ ก็ครูระเบิดหัวใจจิตหมดเลยด้วยแต่หัวใจมีหน้าที่ฟังเลื่อน ด, ดวงลอยเคลื่องเกยอย่างเดียวมันควบคุมชีวิตก็ครูไม่ได้เราทําด้วยจิตจิตกับใจคนเราเลือนกันส่วนสามวันนี้เราจะเป็นช่วงๆนะแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตเปิดวีซีอาร์แล้วก็ครูกำบรรยายให้ฟังเพื่อเพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราทําถ้าจิตมันศรัทธากับสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันจะมีพลังนะแต่ วิธีกรรมวิธีที่เราลงมือปฏิบัตินี่ง่ายมากง่ายที่สุดในโลกไม่มีขั้นตอนไม่มีเทคโนโลยีไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ไม่ต้องกังวลทุกคนทำได้หมดแต่ตอนนี้ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนสร้างศรัทธาให้กับตัวเองไม่ต้องสรัทาพราะอุไม่ต้องนะศรัทธากับสิ่งที่เราทาก่อนที่เราจะศรัทธาเราต้องเข้าใจ เรต้องเชื่อมั่นก่อนว่าให้มันมีเหตุมีผลในตัวมันเราถึงจะลองเต็มที่ทำให้ศรัทธานี่ทํข้าก้าวกลั ว, ว, วคนนั้นพูดทีก็เป๋ไปนนทเออตอนนั้นก็ดีมันดีหมดนั่นแหละไปศึกษาวิชานี้วิชานี้วิชานี้วิชานี้ก็น้ําขึ้นถังนี่ก็ขึ้นถังครึ้นถังคนจีนแค่จีบเขาเหลือปวทั้งจุ้ยก็คือว่าครึ่งถังหมดรู้มากแต่ไม่รู้จริงสักอย่างหนึง่งนะลองเปิดโอกาสให้จิตเราได้สัมผัสอะไรจริงๆช่วงสั้นๆ น, นี้ มันจะมีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตวนะโจทย์ก็คือว่าเราสามวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนวิจัยเรื่องชีวิตด้วยกันนะให้มันเข้าใจชีวิตคืออะไรนะเงินทองบ้านช่องทรัพย์สินข้างนอกเนี่ยมันเหมือนช้อนส้องเรามีเราก็ใช้ไม่มีแล้วก็เอามือจิ้มได้คนโบราณไม่มีช้อนส่องแต่ตอนนี้มันคือพระเจ้า มันคือเจ้าชีวิตเราไม่มีฉันจะตายฉันจะตายฉันจะตายแล้วบางคนตายจริงๆแล้วเร็วนี้เด็กคนหได้ยินข่าวหมดเวลาอย่างมีเด็กคนหนึ่งเรียนจบเขียนที่ยมอันดับหนึ่งทุกคนเขาได้ยินข่าวยังไม่มีงานทําก็ไปเดินเล่นที่ภูเขาทองเห็นไหมเนินไปเดินมาไปโดดตรงมาข้ากลัวตาย เขาเก่งแล้วไงถ้าไม่เก่งไม่ได้เก่ดยุนงอะไรดำหนึบคนเก่งทําอย่างนี้เหรอเก่งแต่งโง่นี้เอาไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนคิดเป็นคือคนไม่คิดนม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นพเพราะกู27ปีไม่ต้องคิดไม่ตคิด เวลากินข้าวต้องคิดไหมว่าต้องเคี้ยวแบบไหนเวลาขับก็ต้องคิดไหมไม่ทําตามความเคยชินอยากมีสมาธิสติอันนี้คิดเรื่องทํางานอยู่นี่คิดโน่นคิดไปถึงฮ่องกงคิดไปถึงอินเดียฝรั่งเศสอารมณ์มันก็แทรกไปบางทีนั่งคิดเรื่องกอแวะไปคิดเรื่องขออีกเรื่องงออีกมันก็คิดสับสน คิดฟุ้งซ่านคิดกังวลคิดหว่วงใยคิดสงสัยยุ่งกันไปหมดเลยขาดสติเราไม่ได้มาฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธินะคําว่าการปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามธรรมชาติถึงเวลากินเราก็ไปกินถึงเวลาฟังเราก็ฟังถึงเวลาเต้นก็เต้นถึงเวลาลังก็ลังถึงเวลาร้องก็ลองเราไป็นอยู่ปัจจุันตลอดไม่เนื่องด้วยกิเลส คือทําตามธรรมชาติไม่เนืด้วยกิเลสแต่ถ้าเรากินเราทําตามกิเลสกินปุ๊บตรงนี้รสอร่อยไหมถ้าอร่อยแล้วก็ชอบชอบกินเยอะหน่อยหนึ่งกินเยอะเกินไปท้องอืดทุกบปุ๊ปอีกถ้ากินตามกิเลสเฮ้ยไม่อร่อยเลยก็ทุกข์อีกอันนั้นไม่ได้ทำตามหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ การทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความมุพ้นแต่ต้องเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติไม่เด้วยกิเลสแต่ตอนนี้นี่เราแยกไม่ออกว่าที่เราทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติหรือกิเลสเริ่มจากถ้าเราคิดปุ๊บเกิดกลายเป็นกิเลสภาษาที่เป็นกิเลสต้นๆคิดตามภาษาละภาษ า, า, าบอกว่าเฮ้ยต้องสู้ตายแล้วก็สู้จนตายจริงๆอย่างมอเดอร์ไซค์ตอนนี้เนี่ยเขามีไว้ให้แข่งการฉี่ แต่เยาวชนเรามันเอามาสิ้นตายตายตายได้โค้งตายหมดมันขี่ไม่เป็นถ้าขี่คนใทยต้องขี่ให้มันเป็นอย่าขี่ให้มันตายเทคโนโลยีต้องใช้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตายตอนที่เราตายทั้งเป็นเลยให้มันสั่งการไปงมหา้โมเกบอนอะไรพวกนี้โอเคนะเมื่อกี้เขาตึ่นอะไรล่ะโอเคเ้ห้องน้ำครับเดี๋ยว